ภาคตวันออกเฉียงเหนือดินแดนแห่งพุทธธรรมและ ที่จะรับมอบมรดกสืบสานงานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปถึงแม้ว่าท่านจะเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายแต่ก็ได้รับการฝึกฝน 5, ง, น, 5 6 ปีท่านก็ได้เวียนเข้าเวียนออกอยู่ภายในสำนักของหลวงปู่มั่นและสำนัก ในหลายสำนักด้วยกันอาทิเช่นสำนักของหลวงอิสโรสำนักของท่าน ซึ่งล้วนแต่ประสานุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นทั้งสิ้นท่านจึงได้รับการถ่ายทอดปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติตลอดทั้งอุบาย ท่านจึงถึงพร้อมไปด้วยศีล 5 ธันวาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่ ท่านพระอาจารย์สมชาย 7 เมษายน 2468 ตรงกับวันอังคารขึ้น 15 ค่ําเดือน 5 ปีฉลูเวลาเที่ยง โยมมารดาของท่านนั้นเป็นบุตรีคนเล็กของขุนหลวงเสนาซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านและเป็นผู้นำทางศาสนาฮินดูเป็นผู้นำพาประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชาเทวดาตามลัททินิยมของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูและมีความรู้เก่งทางวิชาโหราศาสตร์อีกด้วยวันขึ้น 15 ค่ำเดือน เพื่อเสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ครอบครัวและลูกบวชทุกคนโดยจัดขบวน บุตรตรีของหัวหน้าก็ได้คลอดบุตรๆต้องหยุดชะงักลงทันที คือหลวงเสนาจึงได้อุปการะเลี้ยงดูตลอดมาพระ กลับไม่สนใจศึกษาในๆทั้งนิ่งเงียบเฉยยอม เมื่อ 14 ปีคุณตาให้อุปการะเสนาก็ถึงแก่กรรมเมื่อคุณตาจากไปแล้วไป ต้องเมื่อมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างงานช่วยเหลือเขา 75 บาทแต่ซื้อควาย 1 เล่มวัว 1 คู่ 75 บาทเช่นกัน 19 ปี ความเบื่อหน่ายได้เคยเกิดเป็นมนุษย์ชีวิตคราวาสวันหนึ่งมาก พี่ชายก็ไม่ขัดข้องและอนุญาตให้ โดยได้รับการฝึกฝนอบรมดีพอสม 5 มิถุนายนพุทธศักราช 2487 ขณะ 19 ปีภายหลัง ที่วัดป่าศรีไพวันเป็นเวลา 1 พรรษาในระหว่างพรรษา จึงใคร่ที่จะไปกราบขอรับฟังธรรมะคําสอนจากพระอรหันต์เป็นอย่าง 1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน ที่ทั้งพระอาจารย์ป่องจันทสาโรฮะสามเณรสมชายหรือท่านพระอาจารย์สมชายถิฏะวิดีโอ จึงได้พักศึกษาแนวทางเบื้องต้นรูปจึงได้ 2487 วัดป่าบ้านหนองผู่เป็นๆคณาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาความอิมเอิบได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกองทัพธรรมจะต้อง ในทันทีทันใดทันทีทันใดเมื่อได้รับ ก็จะเป็นสถานที่ชุมนุมของพระเถระพระภิกษุ ส่วนสามเณรนั้นจะต้องจองคือ 1 พระเถระ 2 สามเณร เย็นวันหนึ่งคณะที่ 3 สามเณรได้ช่วยกันต้มน้ำยาสมุนไพรไว้ถวายครูบาอาจารย์อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นกำลังเทศน์ธรรมะให้พระภิกษุสามเณรฟังสามเณรจึงได้ละจากหม้อต้มยาเข้าไปยืนฟังธรรมะใต้ถุนกุฏิหลวงปู่ด้วยความใจจดใจจ่อกันทุกองค์ได้ยินไม่ชัดเจนท่านพระอาจารย์สมชาย ก็เพื่อจะได้ยินให้ชัดขึ้นยืนเขย่งเท้าตะแคงหูให้เข้าไปใกล้ร่องจน ลืมนึกถึงความเย็นเยือกของอากาศในฤดูหนาวซึ่ง ปรากฏว่าว่าช้าไปซะแล้วหม้อยาที่ต้มไว้บนเตาน้ําแห้งหม้อ ส่วนธรรมนั้น 2488 ทั้งพระอาจารย์สมชายทิตะวิดีโอก็ได้ หลวงในพิจารณาเห็นว่ามั่นภูริธัตตะเถระได้พิจารณาเห็นว่าท่านพระอาจารย์สมชายอายุครบที่เป็นโยมอุปถากจัดหาบริขารในการอุปสมบทให้ทั้ง มอบให้ท่านพระอาจารย์กุมารจิรปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์และ 11 ขันธ์ 1 ผืนชร 1 คู่ร่วมในการอุปสมบทในครั้ง 23 มิถุนายน 2489 ได้รับนามทางภายหลังจากอุปสมบทแล้วพุทธศาสนาว่าทีฆามิลิโยผู้มีความ และพระภัทรอุบายทําเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง ได้พูดสวนความคิดของท่านพระอาจารย์สมชายขึ้น จะขออวิชชานี้ให้ 3 ว่าจะเอาๆเหรอครั้งนี้ถึงๆวันรุ่ง บ้านลาดกระเฉือระยะหนึ่งแล้วก็ไปพักบําเพ็ญ เดินไปพบรอยเสือไปพบรอยเสือเพิ่งจะเดินออกหน้าไปกลิ่น 2490 จําพรรษาที่วัด ออกพักษาแล้วจึงได้เดินทุรดงไปหา ของคืนนั้นก็มีเสียงต้นไม้หักโครมครามดังเข้ามาไม่ขาดระยะหลวงปู่ฟั้นทราบดีว่านี่คือเดิน ก็ได้ผัวหวอไม่ไผ่ในย่ามออกมาเป่ากวอกวอ จากนั้นจึงลงจาก 2491 จำพรรษาที่วัดพระ เดินทุโดงหาสถานที่วิเวกทางประเทศลาวไปตาม ปี 2492 จํารภาษาที่วัดอรัญญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็น จนเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยตอนกลางคืนพระพุทธรูปก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามติดอยู่กับหน้าผาความ มาจนถึงทุกวันนี้จน 2494 จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์ศรีลาอิสระธรรมตำบลวาใหญ่อำเภออาการอำรวย ทำ 3 คือยืนเดินนั่งเว้นแต่การนอนก่อนออกพรรษาไม่ อึ้กออกมาเท่านั้นเบาสบายกายทิพย์แยกออกจากกายเนื้อมองเห็นตัวโลกทิพย์ได้เข้ามาพูดคุยและนําท่าน เทพเจ้าชาวโลกทิพย์บอกท่านว่าพระสาทวิมานหลังนี้อานิสงส์เกิดจากการ และก็ได้รับอนุญาตให้กลับลงมาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นคําว่าให้กลับลงเวลาที่ ท่านพระอาจารย์สมชายจึงบอกกับเทพเจ้าชาวโลกที่ไปว่าวันพรุ่งนี้อาตมาจะนํา ถ้าอาตมาสำเร็จที่วัดเขาสุกิมเสร็จเมื่อไหร่ให้มา ปี 2496 จำพรรษาที่ภูเก้าอำเภอหนองสูจังหวัดมุกดาหารเป็นเวลา พอพรรษาปีนี้แล้วท่านก็ปลีก 2497 จําบ้านหนองโตนต้นที่วัด เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วท่านก็ได้นําพาพระเนตรเดินทุรดงไป ไอ้เท่านั้นเองเต้มเสียงเท่านั้นเองเสือ ได้ไปพักอยู่กับหลวง 2498 จําพรรษาที่ประชาบ้านหนองทุ่ม ปลูกสร้างกุฏิและศาลาขึ้นพร้อม 14 หลังเพราะว่าที่ป่าช้าแห่งนี้เสือชุกชุม อันพระราชสมชายก็ได้นํา ยกขึ้นเบาเหมือนยกนุ่นขึ้นเบาเหมือนยกหนุ่นพอวางลงๆแต่กลับหนักเหมือนยกหินขนาดใหญ่จะพยายามอย่างไรก็ แต่ท่านก็ไม่ได้วิตกอะไรมากนักยังคงนําพระเนเดินทางต่อไปจนถึงนครเวียงจันทน์และได้เข้าไป จึงได้เป็นประธานจัดงานถวายเพลิงศพจนเป็นที่เรียบร้อยพระ ก่อนเข้าพรรษาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านจึงมุ่งหน้า ปี 2499 จำพรรษาที่วัดจอมไตรบ้านโรงนาสุก 25 พุทธศตวรรษ ที่วัดป่าศรัทธารวมบ้านหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัด อำเภอขามสะแกแสงและไปพักบำเพ็ญที่บ้านดอนใหญ่บ้านหัวแหลมที่สุดก็เข้าไป ปีพุทธศักราช 2500 จำพรรษาที่วัดจอมไตรบ้านดวงนาสุก เหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศลาวในช่วงนั้นไม่สู้ๆเมืองลาวจำนวน คณะโทษนิมนต์ไปสัมมนาครั้งละหลายๆเขาจะต้องหาวิธีกำจัดออกเช่นกันท่านได้ถูกทหารคอมมิวนิสต์ยื่นคำขาดว่าห้ามเผยแพร่ศาสนาห้ามอบรมสั่งสอนประชา ห้ามสอนเรื่องบาปๆทหารคอมมิวนิสต์จึงได้พากันมาจับครคร 6 ครั้งด้วยคร 7 ทหารคอมมิวนิสต์ๆนานา ทหารคอมมิวนิสต์ได้นําตัวท่านไปลงเรือที่จอด 3 รูปด้วยกัน 4 เรือก็ออกเดินทาง ทหารคอมมิวนิสต์ก็เริ่มปฏิบัติการกับพระสงฆ์ สำหรับท่านพระอาจารย์สมชายเฉยรอเพียงว่าเสียง 2 3 ครั้ง เสียงหัวหน้าหัวหน้าสั่งลูกและคุณงามความดีของท่านลดกระบอกปืนลงท่านกล่าวว่าแดงพร้อมด้วยลูกสมุนก็พา ขอร้องห้ามท่านกลับไปเมืองลาวอีก พระภิกษุสามเนนข้ามกลับมาหมดแล้วภิกษุสามเณรข้ามกลับมาหมด 2501 จอมภัสสาที่วัดเขาใส่สายยันต์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา กอเรริงทำความเพียรสิบห้าวันการอธิษฐานเนสัทธิกังคะตลอดพรรษาและ 7 วันส่วน พรรษาปวารณาแล้วก็ได้กราบลาท่านพระอาจารย์โง่นสุรโยพาพระเนนเดินทุรดงขึ้น บูชาเป็นหน้าผาสูงยาวเหมาะ ปีพุทธศักราช 2502 จ.พังสา ที่ถ้ำเป็ดภูเหล็กบ้านหนองม่วงอําเภอ 2 ดาวจังหวัดสกลนครถ้ำ กำเป็ดอยู่ห่างจากวัดชูติการามของ ของโอื่นต่อเวลาไปคืนของโอ ses วัสดี กößArejusi Muse ที่ทำไมยังไว้ denke รอ อันได้ปรารภกับชาวบ้านว่าต้องการหน่อไม้ไป ท่านพระราชาสมชายจึงปรารภกับชาวบ้านอาตมาคงไม่กล้าไปจึงขอให้ญาติโยมขึ้นไป ทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อมองเห็นฝูงลิงป่าโตๆๆจำนวนมากกำลังหักเหล่าไม้ออกมากองไว้ให้ข้างทางก็ บุคคลทั้งหมดในภาพคือผู้ที่ แล้วจึงออกเดินต่อไปอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และเข้าไปพักอยู่ที่ปราสาท ปรางปราสาทจึงถูกปกคลุมด้วยเครือเถาวัลย์มีซากปรักหักพังกองอยู่จำนวนมากมองดูเห็นว่าคลึ้มๆน่าทำความเพียรดีท่านจึงตัดสินใจจารภรรษาที่นี่ปีพุทธศักราช 2503 จารภรรษาที่ปราสาทเขาพนมรุ้งอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ออกภาษาแล้วก็ลาหลวงตาพวงลาญาติโยมออกเดินทางไปขึ้นรถ ไร้สติใจไซเอมกล้วยสัตว์น้อยกล้วยสัตว์ใหญ่ปลาเต็งปลาละอู่กระตือถวายเขตแดนประเทศพม่าหมู่บ้าน 4 เดือนกว่าแม่ สุภาพมาอุนุสสาละละสาละแล้วก็เยอะละปฏิไมมีพิธัทแล้วก็สุภาพมาเกี่ยวข้องนั้นก็ได้นี้ก็เป็นคุณ ที่ท่านแต่รีเซอร์เป็นคนฉลาดและซื่อสัตว์ราชาสมชายเข้าไปบำเพ็ญ ได้จะเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์ ที่เคยเข้ามาเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติอยู่ก่อนแล้วหลายรูปอาทิเช่นท่านพ่อหลี ที่เดินทางมา 2504 ได้ไปพักที่วัด 3 ฐานหรือปัจจุบันนี้คือ ขณะที่กําลังคิดหาสถานที่สําหรับจําพรรษาอยู่ เมื่อได้พูดคุยกันเป็นที่ตกลงแล้วโยมทั้งสองก็กราบลาเดินทางกลับเพื่อ ปีพุทธศักราช 2504 จังพันษาที่วัดเนินดินแดงตำบลทุ่ง 2506 เป็นเวลา 3 พันษาใน 10 รูปก่อ วัดเนินดินแดงเป็นเพียงเสนาสนะป่าที่ชาวบ้านได้พากันสงวนเอาไว้สำหรับให้พระมาพักเป็นครั้งคราวยังไม่เคยมีใครอยู่ประจำพอถึงฤดูพรรษาชาวบ้านก็ออกแสวงหาพระมาจำพรรษาออกพรรษาพระเนนก็ทิ้งไปท่านพระอาจารย์สมชายจึงได้นำญาติโยมพัฒนาให้ก่อสร้างเสนาสนะตัดทางซอยภายในวัด แต่ท่านพระอาจารย์สมชัยก็ได้อยู่จําพรรษานานถึง ja ah um um 4 มกราคมพุทธศักราช 2507 คุณโยมห่อศูนย์ญาติการและคุณโยมขวัญใจงามซึ่งเป็นชาวบ้าน ขึ้นไปพักบําเพ็ญภาวนาบนเขาสุกิม สำหรับท่านพระต่อจากนั้นสมชายนั้นท่านได้เข้า ปีพุทธศักราช 2510 ท่านได้เริ่มทํา 28 ปีท่าน ท่านได้บุกเบิกสร้างศาลวัดๆประชาชนทั่วไป พระราชานสมชายติดดับวิทยุท่านเป็นพระที่สูงส่งไปด้วยเมตตาฐานะต่างๆมา ความจนบางครั้งมองเห็นว่ากรุณาของท่านมีมากจนบางครั้งมองเห็นว่าเช่นการเจิมการเสกวัตถุมงคลการพรมน้ำ ชาวคือการกระทําควรทําชั่วได้ชั่วเรื่องกรรมคือการเป็นไปเพื่อมักผลนิพานทำ จะเข้มงวดกวดขันให้ ท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยหรือพระวิสุทธิญาณเถระ อันเป็นจารีตแห่งอริยะประเพณีทุ่ม ตลอดไป